เมื่อวานเราเดินไกลนนเนยเนาะพอจะมาถึงวัดมวยเสือก็ค่ำพอดีก็เมื่อยกันทุกคนเน้ว ม, <เ>มีใครไม่เมื่อยไหมเมื่อยกันทุกคนนะก็ล้ากันเมื่อยกันปวดกันบ้างนะแต่พอเราได้พักนะเราได้นอนเราได้พักผ่อนหลายชั่วโมงก็ ร่างกายมันก็ปรับตัวนะความเมื่อยาดก็คลายไปเยอะนะหลายนะหลายเปอร์เซ็นต์มากนะเกือบจะปกตินะร่างกายเรามันก็เก่งนะเก่งนะมันสามารถฟื้นฟูตัว เ, เองได้ได้ดีมากนะี่จริงเวลาเราเดินทุดดกเดินทางไกลก็แบบนี้นะบางทีมันก็จะมี ช่วงปวดช่วงเมื่อยช่วงร้าบ้างแต่พอได้พักผ่อนสักหน่อยมันก็มันก็ดีขึ้นนะร่างกายมันก็เป็นแบบนี้นมันมีการบันเทามันมีการนะฟื้นฟูนนะโดยตัวเอามันเองแต่ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยนะเหตุเวลาบ้างเราเหิวก็อาศัยอาหารบ้างนะปวดเมื่อยก็อาศัยการ รักษาบ้างนะแต่อันนั้นมันเป็นเราอาศัยร่างกายของเราเพื่อเพื่อเรียนรู้ดูความจริงว่าอ๋อนะที่จริงแม้แต่ความปวดความเมื่อยนะมันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นมานะเพราะมีเหตุมีปัจจัยนะเราใช้งานเยอะนะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันมีความปวดเมื่อยนะ มันก็เป็นธรรมดานะเราพักผ่อนนะมันก็หายปวดหายเมื่อยเนี่ยมันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่ง น, นี่เราก็มาเรียนรู้ตรงนี้นะรวทั้งการที่เรามาเรียนรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจด้วยนะอย่างเรามาเดินทางไกลแบบนี้มันเหมือนเรามากระทบกับภาษะนะที่มัน ที่มันเกิดขึ้นนะที่ในชีวิตประจำวันบางทีอาจจะภาษะมันอาจจะบางอย่างแบบเนี้ยมันไม่ได้แรงนะเนะี่ยเช่นความเหนื่อยความหนักความร้อนความหิวนะอะไรต่างๆนะ่เนี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบดุดุยแบบนี้เยอะแต่พอเรามาใช้ชีวิตแบบ เหมือนจะทำให้ร่างกายมันมีความทรมานะหรือมีความทุกข์แต่จริงมันเพื่อให้เราได้เห็นว่าจิตใจมันเป็นอย่างไรนะในขณะที่ร่างกายมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมานะจิตใจมันกระเทือนมันวันไหวไหมนะถ้าเป็นเหตุก็เหมือนคล้ายๆว่ามันมีเหตุปัจจัยข้างนอกเนาะ เหตุปใจข้างนอกเช่นความร้อนนะความไกลนะอที่มันกระทบเข้ามาเหตุไปใจข้างในของเราก็คือน่มันมันมีอะไรที่มันกระเทือนบ้างน่ะสิ่งมันทำให้เกิดความท้อไหมน่ะทำให้เกิดการบน่นการว่าในใจหรือเปล่าน่ะทำให้เกิดโทสะขึ้นในใจหรือเปล่าเีย หรือบางทีก็ทําให้เกิดความอยากจนมองอะไรก็อยากกินไปหมดตัวเองนะมันก็ทําให้เราได้เห็นนะโออเนี่ยแหละมันเหมือนแค่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมือสองข้างนะมันกระทบกันน่ะเหตุบรรจข้างนอกน่ะมันกระทบกับกิเลสแล้วก็ตัณหาข้างในใจของเราเนี่ยแหละนะมันกระทบกันนะมันกระทบกันก็เกิดเสียงขึ้นมานะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ เพื่อเรามาดูาอ๋อมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาจากข้างนอกนะถ้าในใจของเราเองยังมีกิเลสก็มีตัณหานี่มันก็ยังเกิดความวั่นวหวขึ้นในใจนะเนี่ยคืออ๋อมันก็ทำให้เราได้เห็นว่า ม, มันผุดขึ้นมาละแต่จริงกิเลสแล้วก็ตัณหามไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะโดยดีนะ มันมีเหตุเกิดขึ้นมากอด น, นะมันกระทบเข้ามานะมันก็ทำให้เกิดการกระเทือนหรือเกิดการปรุงแต่งขึ้นในใจนะนะเราก็ดูตรงนี้เราก็ดูดูมันนะไม่ใช่บอกไม่ใช่บอกพยายามว่าจะต้องไม่ให้มันเกิดอารมณ์หรือเกิดความคิดเกิดการปรุงแต่งเราไม่พยายามที่จะพยายามจะบังคับนะให้มันไม่เกิดอารมณ์เลยนะ <c oughs> แต่เราคอยสังเกต ด, ดูเท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจนะนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเนะี่ยมันก็แสดงชัดอยู่ความเมื่อยความร้อนความหิวเราก็เป็นผู้ดูมันนะเราสังเกต ด, ดูถ้าเราเห็นร่างกายเขาเคลื่อนไหวนะเห็นร่างกายเขาเดินนะมันก็เหมือนกันกับการเห็นร่างกายเขาปวดเห็นร่างกายเขาเหนื่อย เห็นร่างกายเขาร้อนเน่ะนี่คือการที่เราดูรูปนะเห็นรูปนะเห็นรูปเขาเคลื่อนเห็นรูปเขาทุกข์นะเราก็ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจก็เหมือนกันนะเห็นใจเขาคิดเห็นใจเขามีความรู้สึกนะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เราก็เป็นผู้สังเกตไปดูดูการกระเทือนขึ้นในใจ มันก็จะเห็นอะไรเห็นเห็นว่าที่จริงอารมณ์ทั้งหลายนะมันด้วนแต่เกิดแล้วก็ดับนะอารมณ์เองมันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งนะแล้วก็ดับไปอารมณ์ในใจของมันนะเกิดดับเร็วกว่าเร็วกว่าอากาศให้มันเกิดขึ้นกับร่างกายนะ อย่างร่างกายบางทีมันเหนื่อยนะมันต้องอาศัยเวลาพอสมควรนะมันถึงจะค่อยๆลดความเหนื่อยไปหรือหายเหนื่อยนะเวลาเราหิวก็เหมือนกันนะต้องกินข้าวหลายคำนะก็จะหายหิวใช่และกระหายน้ำก็ต้องกินน้ำพอสมควรกว่าจะหายกระหายน้ำแต่จิตใจนะบางทีมันเกิดดักเร็วมากนะ นะความโกรธก็ดีนะความคิดหรือความรู้สึกอะไรต่างๆก็ดีนะเราก็เห็นว่าเออมันเกิดแล้วก็ดับนะนะมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะตามองเห็นเช่นมองเห็นสิ่งของที่น่ากินนะใจก็ปรุงแต่งขึ้นมาลนะอะไรต่างๆก็วนี้นะเราก็ ด, ด, ดูดีก็คือนะดูสิ่งที่มันกระทบจากข้างนอกนะมันทาให้เกิดอารมณ์อะไรขึ้นในใจนะเราเราก็ดูตรงนี้นะหรือบางทีสิ่งกระทบจากข้างนอกมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ที่กระทบภายในใจก็มีนะมันไม่ใช่ว่าข้างนอกเกิดแบบนี้แล้วข้างในจะต้องเกิดแบบนี้เสมอไปบางทีก็ไม่ไมจำเป็นนะ บางทีอยู่ดีๆมันก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นก็มีอไม่ได้เกี่ยวจากข้างนอกเลยนะอคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตเลยนะะบางทีอย่างบางคนสมมติถ้าระวังนะเวล า, าใกล้จะสึกหรือใกล้จะกลับบ้านอนะไรแบบนั้นเราก็จะไปคิดถึงอนาคตนะจะไปทําอะไรนะวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้นะ หรือบางคนก็คิดถึงเรื่องอดีตนะขนาดที่เดินขนาดที่อยู่ยนะคือมันก็ไม่แน่นอนนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจนะบางทีก็เป็นเหตุเพราะปัจจุบันขณะมากระทบก็มีหรือบางอย่างก็ไม่เกี่ยวแลจิตมันก็ไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตของมันเองก็มีเนะี่ยเราก็ดูดูสภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นในจิตอะที่มันเกิด แล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะแสดงอาการเกิดดับให้เราเห็นความเกิดดับนี่นแหละมันก็คือสภาวะที่มันไม่เที่ยงอย่างหนึ่งนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันเปลี่ยนเอาแน่เอานอนไม่ได้นี่มันเป็นอนัตตานะควบคุมบังคับบัญชาก็ไม่ได้มันมีสภาวะที่เป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันด้วยนะสภาวะที่เป็นทุกข์คือไม่สามารถ ทนทานอยู่ได้เสมอไปนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะมันก็คือสภาวะที่เป็นทุกข์อนะ่ะคล้ายๆเหมือนกับน้ําแข็งมาเปนะ็นนะน้ําแข็งบางก้อนก็กว่าจะละลายหมดนะก็ใช้เวลาแต่น้ําแข็งบางก้อนเล็กๆนะก็บางทีก็โดนแดดนะมันก็ละลายได้เร็วนะ อารมณ์เราก็เหมือนกันนะบางทีมันก็เป็นแบบนั้นนะสภาวะบางอย่างก็ดับไปอย่างรวดเร็วสภาวะบางอย่างก็มีเหตุปุงแต่งต่อเนื่องนะเขาก็เลยเกิดเหมือนจะนานอันนี้คือสภาวะที่มันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันเนี่ยเราเรามาทุ ด, ดงจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือเพื่อดู ดูสิ่งพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ม็นมีเหตุมีปัจจัยที่เราไม่สามารถคาดการได้นะเหตุปัจจัยที่มันบางทีถ้าในชีวประจําวันเราก็คงไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดิกรีงที่จะเผชิญกับเหตุปัจจัยแบบนี้นะเช่นเดินตากแดดนานๆแบกของอ่หนักๆนะเดินทางไกลนะในแต่ละวันเนี่ยนะ หรือว่าอาหารการกินก็ตามที่มีตามที่ได้แบบนี้เนาะที่อยู่อาศัยก็ตามเหตุตามปัจจัยบางทีคนเราสมัยนี้บางทีเหมือนเราเรียกว่าชีวิตเลือกได้เนาะเลือกได้แต่คือบางทีเราใช้เงินเลือกนะใช้ตัวช่วยอย่างอื่นมาเลือกนะเลือกให้มันสบายนะเลือกให้มันมีความสุขนะ เลือกที่จะหนีทุกข์นะส่วนใหญ่ก็คือชีวิตเลือกได้ก็คือเลือกแบบนี้นเลือกให้เพื่อสนองความสุขสนองความสบายนะหนีความทุกข์นะแต่การมาทุ่ดดงงนะการมาปฏิบัติมันเหมือนเราเลือกที่จะเผชิญกับความทุกข์นะเลือกที่จะไม่หนีความทุกข์นะเลือกที่จะ ไม่เข้าไปหาความสบายไม่เข้าไปหาความสุขนะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าว่าเราเผชิญความทุกข์เราจะต้องเป็นทุกข์นะเราก็จะเห็นอือกายมันเป็นทุกข์นะใจมันเป็นอย่างไรแบบนี้เนาะเนะีนะ่ยเราก็ดูเออกายมันเป็นทุกข์ใจไม่ได้เป็นทุกข์เสมอไปก็มีนะใช่ไหมเนะี่ยหรือเราแม้เราไม่ได้พยายามที่จะต้องไปหาความสุข หาความสบายแต่เราก็เห็นว่าที่จริงความสุขนะถ้าเราวางใจถูกมันก็สุขได้ง่ายๆน ะ, นะลมพัดมาสดชื่นเย็นสบายจิตใจก็มีความสุขแล้วนะเดินในร่มไม้นะ่ใจก็มีความผ่อนคลายใจก็มีความสุขหรือตอนไหนถ้าเราสังเกตเห็นร่างกายเวลามันเหนื่อย มันหายใจทีทีนะ่ะร่างกายมันเริ่มเป็นทุกข์ละพอเรารู้ทันออ้เราปรับลมหายใจให้มันสบายขึ้นให้มันยาวขึ้นเออกายมันก็สบายขึ้นนะใจก็ผ่อนคลายขึ้นนะีเราก็เห็นว้อบางทีพอเราเหนื่อย น, นะร่างกายก็กระทบถึงจิตใจแต่พอเรารู้เท่าทันนะเราปรับร่างกายปุ๊บนะ่ะมันก็ปรับจิตใจไปด้วยนะ อันนี้คือแม้เราไม่ได้ไม่ได้พยายามจะหาความสุขนะแม้เราจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์นะแต่เราเองก็ยังอยู่ได้แบบที่มันไม่ทุกข์นะหรือทุกข์น้อยลงเหล่านี้นนะมันก็มันก็ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะมันทําให้จิตใจมันเข้มแข็งขึ้นนะไม่ใช่ว่าจะต้องหนีความทุกข์นะแต่เราจะอยู่กับความทุกข์ อย่างไม่ทุกนะเนะี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่สำคัญมากนะพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านเน้นเนะี่ยตัวอริยสัตนะคือความทุกข์นะความทุกข์มันอยู่ในในรูปในนามนะในขันทั้งห้านะความทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ว่าข้างนอกนะมันทำให้เราทุกข์เสมอไปนะอย่างที่ว่าบางที เหมือนมือเรานะมือซ้ายกับมือขวานะมันกระทบกันมันก็มันก็เกิดเสียงขึ้นมาเหตุปัจจัยข้างนอกนะกับกิเลสตัณหาข้างในนะมันกระทบกันก็เกิดความวั่นไหวเกิดเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราจะดูดีๆก็คือว่าเหตุปัจจัยข้างนอกนะ่ะเราเราบังคับไม่ได้นะในชีวิตนี้นะ ในการเดินทางครั้งนี้ก็ดีหรือว่าการที่เรามีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็ดีนะเหตุปัจจัยข้างนอกนะบางทีเราที่ว่าเราพยายามจะเลือกนะแต่จริงมันก็เลือกไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะเราพยายามจะหนีเราพยายามจะหาะรสักอย่างหนึ่งให้มันมีความสุขให้มันทุกน้อยลงแต่จริงมันก็มันก็เป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยนะแต่จริงมันก็หนีไม่ได้เพราะว่า เหตุปัจจัยข้างในของเราเนี่ยเราหนีเองไม่พ้นกิเลสก็ดีนะตัณหาก็ดีแต่ไม่เป็นเหตุปัจจัยที่นามนะที่จิตใจหรือว่าเหตุปัจจัยเพราะร่างกายนะร่างกายมีร่างกายก็ต้องมีความปวดมีความเมื่อยมีความหิวมีความเจ็บมีความแก่มีความตายอย่างเนี่ยเหตุตรงนี้เราหนีไม่พ้นเลยของรูปนะ รูปต้องมีความเสื่อมไปต้องมีความทุกข์ไปเรื่อยๆจิตใจเองก็มีเหตุถ้าเรายังไม่หมดอวิชชาก็ต้องมีเหตุก็คือมีตัณหามีกิเลสเกิดขึ้นมาแต่เราจะเรียนรู้อย่างไรว่าที่จะจัดการเหตุปัจจัยข้างในของเราเนี่ยให้มันหมดไปในรูปก็คงหมดไปไม่ได้ในตอนนี้นะแต่ในนามเนี่ย จะทําไงให้มั น, นกิเลสตัณหาต่างๆมันดับลงไปได้ถ้าจะดับได้จริงๆก็ดูดีๆนะก็คือพอเรารู้เท่าทันนะหนึ่งขณะกิเลสมันก็ดับลงไปหนึ่งขณะนะการดับกิเลสดับตัณหาเนี่ยค่อยๆฝึกไปคือรู้เท่าทันหนึ่งขณะนะเขาก็ดับลงไปทีละขณะ จะดูดีว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเวลานะไม่ได้เกิดอย่างเช่นความคิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาความโกรธเองก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาความอยากก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาความชอบก็ไม่ชอบนะก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลานะมันเกิดขึ้นมาทีละขณะนะเราคอยดูมันนะดูมันเรื่อยอืมเราจะเห็นมันเกิดขึ้นมา พอรู้เท่าทันน่ะมันก็ดับไปแต่ถ้าตอนไหนไม่รู้เท่าทันน่ะแหละมันจะปรุงแต่งไปได้เยอะดูดีๆนะบางทีบางทีถ้าเหตุปัจจัยข้างนอกมันไม่สบายบางทีมันก็จะปรุงแต่งได้ได้เยอะนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันนะมันจะสนุกดูสนุกเห็นเห็นอารมณ์ที่มัน ที่ที่มันนอนเนื่องในใจอนะมันก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นได้บ่อยนะก็ดูดีๆนะอันนี้มันเป็นช่วงโอกาสหนึ่งที่ที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นขึ้นนะเพราะการที่เรารเผชิญกับความทุกข์ของของร่างกายนะนะเราไม่หนีความทุกข์นะไม่ไปหาความสะดวกสบายเนะี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นน เห็นอารมณ์เห็นจิตใจของเราได้ได้ชัดขึ้นและตัว น, นี้แหละมันจะทําให้เราถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์พวกนี้ได้ได้บ่อยขึ้นเมื่อเราไปใช้ชีวิตปกติธรรมดานะเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นได้ได้ง่ายขึ้นนะได้เร็วขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเหมือนคนเคยทํางานหนักนะเคยทํา งานจนแบบชำนิชำนาญ น, นะนะพอพอไปทำงานอะไรอีกที่มันสบายๆง่ายๆมันก็รู้สึกว่า เ, ออเคยผ่านงานหนักมาแล้วนะงานแค่เนี้ยก็สู้ได้งานแค่นี้ก็ไหวถ้าเราเคยผ่านช่วงที่นะช่วงที่ทุดดงหรือเหนื่อยหนักมาพอตรงครัวแบบเนะี้ย พอเราไปใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยมันก็จะทาให้เราเออไม่หมดกําลังใจทำให้เราสู้ไหวเนาะเนาะนะก็ก็ดูดีๆนะดูเนี่ยดูเหตุปัจจัยข้างนอกมันกระทบเข้ามานะจิตใจวันไหวไปตามเหตุข้างนอกหรือเปล่านะหรือบางทีเหตุปัจจัยข้างนอกนะอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบหรือเราไม่ชอบ ก็ต้องดูดีๆว่าจิตใจมันพุ้งออกไปที่อดีตออกไปที่อนาคตรหรือเปล่านะดูเนี้ยเราก็จะเห็นว่าที่จริงนะความทุกข์เองนะมันไม่ใช่เกิดจากข้างนอกที่มันมาทําเราเสมอไปหรอกแต่ความทุกข์เนะี่ยหรือการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันเกิดเพราะข้างในของเราเนี่แหละดูไม่เท่าทันนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะทําให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะ ทำให้เกิดความชอบเกิดความไม่ชอบขึ้นมานะเนะี่ยดูจะได้ว่าถ้าสรุปก็คือดูการเกิดดับนะของของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจก็ดีดูลงไปให้เข้าใจว่ามันมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเนะี่ยดูลงไปในแง่นะน่าจะได้เข้าใจว่าอ๋อที่จริงสภาวะทั้งหลายนะมันก็มีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับนะ สภาวะทั้งหลายก็คือไตรักทั้งนั้นนะฉะนั้นถ้าเราดูได้แบบนี้นะนะความความเป็นทุกข์นะความว่าเราเราทุกข์นะเราสุขเราเป็นนั่นเป็นนี่นะมันจะหายไปนะมันมีแต่อาการที่มันเป็นนะแต่มันจะไม่มีตัวเราที่เข้าไปเป็นเข้าไปยึดเข้าไปถือเข้าไปแบกไวนะ้เนาะฝากไว้ครับนะ